อนาปฏิวานพิกษณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ1นึ่งพิกษณีไม่ปรนาในเมื่อมีอันตรายสองพิกษณีแสวงหาแล้วแต่ไม่ได้ 3. ภพิกษณีผู้เป็นไข้สภพิกษณีผู้มีเหตุขัดข้อง 5. ภพิกษณีวิกลจริต 6. ภพิกษณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่ 7. จบ